ขันพู้เจ้าก็เลยตัดขึ้นมาถึงว่านี่นีเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยพิสูรรูปนี้อ่ะที่มีนิสัยแบบเนี่ยไม่รู้กาลเทศะเนี่ยนั่นแหละสะสมมานานแล้วนานยังไงบอกว่าในอดีตชาติมีมานพคนหนึ่งในสกุลอุทิจพรามอุทิตเจพรามหมายถึงพรามที่โอ้โหเดาห่างไกลเหลือเกิน ไม่ใช่เดาผิดเดาผิดมันไม่ใช่แค่อุทิตมันอุทิตจะ <c oughs> นะอุทิตจะพรามมันมีจะอยู่ด้วยนะ อ, อุทิตจะพรามมนี่หมายถึงว่าพราหมที่มีตระกูลสูงหรื อ, ห ร, อหรือพราหม่มที่มีชื่อเสียงอะไรพวกเนี้ยเป็นอุทิตจะพราหมปรากฏว่ามีชายหนุ่มคนนึงนะมานอกคนหนึ่งเนี่ยนะนั้นในอยู่ในพราหมมที่ ที่มีชื่อเสียงพราหมที่มีตระกูลสูงศึกษาเล่าเรียนสําเร็จในศิลปะวิทยาทุกอย่างแล้วก็เป็นอาจารย์ทิสาปาโมกนี่อาจารย์ทิสาปาโมกก็เนี่ยแหละอาจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังอยู่ในพนคอนพารานสีบอกสอนศิลปะต่างๆแก่เหล่ามานุษย์ประมาณ500คนณนะสํานักนี้เองมีไก่อยู่ตัวหนึ่งไก่จริงๆนะเอกเอเนีเ่ย มีไก่ตัวหนึ่งคอยขันบอกเวลายามเช้าให้พวกมานพพอได้ยินเสียงไก่ขันก็จะพากลุกขึ้นตื่นมาทำวัดของตนตรงเวลาทุกวันผู้ง่ายอาศัยอะไรเป็นนาฬิกาอาศัยไก่เป็นนาฬิกาและปรากฏว่า นาฬิกาเรือนนี้ก็ตรงเหลือเกิน <c ười> คือพอถึงเวลาปั๊บมันก็ขันตรงเวลาอย่างเช่นจะทํ า, าวัดเช้าเงี้ยพอทีสามครึ่งไม่ต้องคอระครังเลยไก่ขันหรือพอทีสามครึ่งปั๊บไก่ก็ขันเลยพระกำมาคอระครัง <c ười> ตามเสียงไก่ขันหรืออะไรหรือมีที่บางทีชาวบ้านใช่อะไร ใช้หัวพระเป็นปฏิทินเนี่ยอ้าวสิบห้าค่ำหรือว่าวันพระอะไรพวกนี้ใช่ไหมพระท่านก็ต้องปรงผมไงต้องโกนหัวอา่าบางทีนี่ก็อาศัยหัวพระเป็นปฏิทินบอกเวลาใช่ไมบอกอ๋อที่วันพระแล้วอย่างเงี้ยแต่ในที่นี้นี่อ่พวกพวกเรามานพพวกพราหม์พวกเนี้ยอาศัยไก่ตัวนี้น่ะเป็นนาฬิกาบอกเวลา ต่อมาเมื่อไก่ตัวนี้ถึงแก่ความตายเรามานบจึงเที่ยวสแสวงหาไก่ตัวอื่นเพื่อเอามาขันบอกเวลาในสำนักปรากฏว่ามีมีสิทธิ์คนหนึ่งไปเก็บฟืนในป่าช้าได้พบไก่ตัวหนึ่งอาศัยอยู่ในป่าช้านั้นเพียงลำพังตัวเดียวจึงจับกลับมาที่สำนักใส่กรงเลี้ยงดูเอาไว้ ก็คงหวังว่าแหละหวังว่าจะเอามาใช้บอกเวลาแล้ว น, นได้นาฬิกาเรือนใหม่มาไปได้ที่ไหนไม่ได้ที่ป่าช้าโอ้โหนาฬิกาเรือนนี้นะเสร็จแล้วก็มาเลี้ยงดูปูเสืออย่างดีเลยไก่ตัวนั้นเคยใช้ชีวิตเติบโตในป่าช้ามีอิสระที่จะทำอะไรได้ตามใจชอบจะขันเวลาใดก็ขัน ดังนั้นพอมาอยู่ในสำนักบางทีก็ขันปลุกในเวลาดึกดื่นทําให้เรามาโนบอดหลับอดนอนตื่นมาศึกษาศิลปะกันไม่รู้เรื่องคือพูดง่ายๆว่าบอกมั่วเลยนะบอกเวลามั่วเลยนึกจะขันก็ขันเอ อ, อารมณ์ดีก็ขันเ อ, อนึกอารมณ์ไม่ดีก็ขันอะไรอย่างเงี้ยนะเหมือนกับคนกินเหล้าอ่ะเห็นไหมฉลอง อ, อ ได้ดีได้ดีมาก็กินเหล้าเศร้าโศกเสียใจก็กินเหล้าลอะไรอีกไปดีใจอะไรมาก็กินเหล้าเนี่ยไม่เป็นเวลาเวลามั่วนะเพราะฉะนั้นปรากฏ ว, ว่าบางทีเนี่ยขันผิดเวล า, เ, วลาเนี่ยพวกพวกพรามพวกนี้ตื่นมาผู้ไงมาทาวัดอย่างเงี้ยหรือว่ามาศึกษาตํหลับตาราเนี่ยก็เลยผิดเวลากันหมดเลย ก็เลยพูดง่ายว่าอดหลับอดนอนเลยกลายเป็นเรียนอะไรไม่รู้เรื่องเลยนะขาดออกซิเจนขาดอะไรอะขาดการพักผ่อนที่เพียงพอก็เลยเรียนอะไรไม่รู้เรื่องบางทีก็ขันปุกในเวลาสายท้องฟ้าสว่างแล้วพวกมานบจึงตื่นสายไม่มีเวลาพอศึกษาศิลปะต้องกระทำกิจอื่นๆ่นแล้วคือบางทีไปขันท่าสายเนี้ย คืพูดง่ายว่ามีเหมือนกันพวกเราตื่นตามเสียงะระฆังเนี่ยเอาเอาะระฆังบอกเวลาใช่ไหมเพราะฉั้นวันไหนเกิดคุณป่าคุณนาคมาเคาะระฆังบอกผิดเวลาเงี้ยก็ตื่นตามเสียงะระฆังเกิดไปเคาะเอาตีสี่คุณก็ตื่นตีสี่เกิดไปเคาะเอาตีห้าคุณก็ตื่นตีห้าเพราะคุณตื่นตามเสียงะระฆังอ่าเพราะฉะนั้นถ้าไปตื่นสายใช่ไหมก็เลยคราวนี้ เอาเลยเวลาทำวัดไปแล้วอย่างนี้คุณจะไปศึกษาธรรมะอะไรได้อีกอะคุณก็ต้องไปทำงานเลยคราวนี้เนี่ยก็ปั่นป่วนไปหมดเลยเพราะนั้นพวกพวกมานพในสำนักนี้ก็เลยวุ่นวายไปหมดด้วยเหตุเหล่านี้ทำให้มานพทั้งหลายพากันปั่นป่วนเพราะการศึกษาศิลปวิทยากับการกระทํากิจวัตรต่างๆล้วนผิดเวลาไปหมดต่างก็ได้รับความเดือดร้อนมาก นะจนอารมณ์เสียหงุดหงิดลำคาญไก่ตัวนี้นะบนบนแกกันและกันว่าเจ้าไก่เลวตัวนี้เดี๋ยวมันก็ขันดึกเกินไปเดี๋ยวมันก็ขันสายเกินไปหากพวกเราอาศัยเจ้าไก่ตัวนี้บอกเวลาก็คงเรียนศิลปะวิทยาไม่สำเร็จแน่ๆจัดการมันทิ้งเส้อเถิดเอาละสิข่าวนี้ คือทนจนกระทั่งไม่ไหวแล้วนะลำคาญแล้วก็เลยช่วยกันจับไก่ตัวนั้นออกมาจากกรงกระทำการบิดคอไก่โอ้โหไก่ก็เลยคอหักเลยทีถึงแก่ความตายจากนั้นจึงไปสรารภาพผิดกับอาจารย์ว่าคือผู้ใงไ่อดไม่ไหวนะเลยสำเร็จโทษไก่ไปซะแล้ว พอสำเร็จโทษเสร็จแล้วค่อยไปสารภาพบาปกับอาจารย์นะนะท่านอาจารย์พวกผมทนไม่ไหวข้าไก่ตัวนี้ตายสิแล้วเพราะมันขันไม่เป็นเวลามเวลาสร้างความเดือดร้อนอย่างมากต่อพวกผมก็ไปยอมรับผิดกับอาจารย์อาจารย์ได้ฟังอย่างนั้นก็กล่าวเตือนสติแก่พวกลูกศิษย์สอนให้รู้จักคิดถึงต้นเหตุด้วยคือพูดง่ายๆว่าไม่ชอบใจไก่ตัวเนี้ย คือคิดคือคิดแต่ปลายเหตุคิดแต่ปลายเหตุหมายถึงว่าไม่ชอบใจที่มันขันไม่เป็นเวลาเวลาวันก็เลยลาคาญไก่ตัวนี้ตรงที่มันขันไม่เป็นเวลาเวลาแล้วก็เลยจัดการซะเลยว่าอาจารย์บอกอย่างนี้ไม่ถูกคิดอย่างนี้นี่พูดง่ายว่าเป็นคนที่เห็นอะไรแล้วก็ตัดสินคมไอไอตามสายตาที่เห็นเลยโดยที่ไม่ไม่สอบถามไม่สืบสวน ไม่ไต่ตองดูว่าทําไมถึงได้เป็นอย่างนี้เข้าใจไหมคือเอาแต่ไอตาที่เห็นหูแต่ได้ยินอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จัดการเลยอย่างเงี้ยคือสรุปเลยอ่ะสรุปเลยโดยที่ไม่สืบสาวราวเรื่องอะไรให้ดีเพราะอาจารย์ก็เลยเตือนว่าไก่ตัวนี้ไม่ได้เติบโตอยู่กับพ่อแม่คือคือมันไม่รู้อะมันอยู่ลําพังตัวเดียวในป่าช้านะ ไม่เคยได้อยู่ในสํานักอาจารย์นี่นี่กําลังพูดให้ลูกศิษย์ฟังแล้วนะบอกว่าไอ้ไก่ตัวนเนี้ยเนี่ยเออมันไม่ได้เกิดอยู่กับกับพ่อแม่หมายถึงว่าไม่มีพ่อแม่เลี้ยงดูนั่นเองจริงๆมันเกิดกับพ่อแม่นั่นแหละแต่อพ่อแม่ทิ้งไว้อย่างเงี้ยเสร็จแล้วก็อยู่ในป่าช้าตัวเดียวเพราะฉะันก็ไม่มีคนเลี้ยงดูมันไม่มีคนสอนมันนั่นเองรวมไปทั้งนี่นี่เปรียบเปื่ยมาถึงลูกศิษย์เลย ไม่เคยได้อยู่ในสํานักอาจารย์คือมันไม่ได้ไปเข้าโรงเรียนที่ไหนไอ้ไก่ตัวนี้มันไม่ได้ไปเข้าโรงเรียนที่ไหนมันไม่มีครูบาอาจารย์สอนมันอไม่มีพี่ไม่มีน้องไม่มีพ่อไม่มีแม่ไม่มีใครมาช่วยสอนมันย่อมไม่มีใครสอนให้รู้จักเวลาที่ควรขันหรือเวลาที่ไม่ควรขันอ่าก็ใช่แตงมันก็ไม่รู้สิแมมันก็ขันส่งเดชไปเรื่อยมันนึกจะขันเมื่อไหร่มันก็ขันอะ มันจึงไม่รู้จักกาลเทศะใดๆต้องถูกพวกเจ้าหักคอตายไปเสียแล้วเนี่ยสอนลูกศิษย์ว่าอย่ามองอะไรแต่เปลือกเปลือกอย่ามองอะไรเนี่ยง่ายๆเห็นอย่างนี้ล้วก็จะสรุปเอาแต่อย่างนี้วันให้หัดถามตรงนี้เนี่ยอาตมาก็เคยบอกพวกเราซึ่งบางคนเนี่ยใจร้อนที่เห็นอะไรปับ๊บสรุปปับ๊บด่าว่าหรือว่า ตำหนิลงโทษอะไรคนอื่นไปเลยโดยที่ไม่ถามก่อนเนะี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยเวลาใครทําผิดอะไรมาขนาดว่ามาเล่าให้พระพุทธเจ้าฟังแล้วนะคือเจ้าตัวเนี่ยมาเล่าให้พร ะ, พ, ระพุทธเจ้าฟังพระพุทธเจ้าฟังเสร็จแล้วยังต้องย้อนถามกลับเลยว่าว่าว่าเธอทำอย่างนั้นนะ่จริงหรือเปล่าเธอทำอย่างงั้นเพราะอะไรพระเจ้าจะถามนะขนาดเจ้าตัวมาเล่าเองเนี่ยพระเจ้าก็จะถาม ว่าต้นเหตุมันมาจากอะไรยังไงหรือแม้แต่คนอื่นมาเล่าเรื่องให้พระพุทธเจ้าฟังพอเล่าเสร็จป้าพพุทธเจ้าบอกโอ้โหคนที่ทําอย่างนี้เหรอให้เรียกตัวมาพอเรียกตัวมาถึงพระุทธเจ้าก็จะถามอีกเหมือนกันว่าเธอไปทํ า, า, าทผิดอย่างนี้จริงหรือไม่เอต้องถามนะว่าเธอทําผิดอย่างนี้จริงหรือไม่แล้วก็คนนั้นก็จะตอบมาจริงหรือไม่จริงก็เอาว่ากันมาเนี่ย เพราะฉะนั้นแล้วเราเองเนี่ยบางทีอย่าไปใจร้อนอย่าไปรีบด่วนสรุปอะไรนะจะต้องรู้จักสืบสาวเราเรื่องบางคนเนี่ยไม่ถามเลยแค่เห็นเท่านั้นเองใช่ไหมแค่เห็นหรือแค่ได้ยินเสียงอะไรอย่างเงี้ยหรือหรือโดยเฉพาะอะไรอะ่ะบางคนกลัวผีเงี้ยเห็นอะไรแต่คุ้มจะคุ้มๆๆนะทันทีแลสรุปแล้วเรียบร้อยผีว <laughs> ิ่งก่อนแล้ว <laughs> คือคือไม่ได้อะไรเลยอะ่ะมัน สรุปโครมไปเลยแล้วคนที่นิสัยสรุปแบบนี้บอกแล้วนะไม่ใช่เพิ่งเป็นนะสะสมมาหลายชาติบอกแล้วสะสมมาหลายชาติคนที่ใจร้อนและด่วนสรุปคนอื่นเนี่ยสะสมมานักต่อนักแล้วถึงได้เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยอาจารย์นิกนสรศลูกศิษย์อบรมสั่งสอนศิษย์ให้รู้เหตุรู้ผลรู้ดีรู้ชั่ว กระทำอยู่อย่างนี้เรื่อยไปจนตลอดอายุไขของอาจารย์คือก็ต้องขยันมาสอนแบบเนี้ยพระาศาสดาทรงแสดงธรรมเทศนานี้แล้วทรงเฉลยว่าไก่ที่ขันไม่เป็นเวลาในข่าวนั้นได้มาเป็นภิกษุอภิกษุณีรูปหนึ่งในบัดนี้โอเป็นผู้หญิง <c oughs> อ๋อไม่ใหญ่ผู้ใจนะเป็นผู้หญิง นะไก่ที่ขันไม่เป็นเวลาเวลานีแหละได้คือคือคือชาติปัจจุบันของผู้พทเจ้าดีนะเนี่ยได้มาเป็นภิกษุณีรูปหนึ่งในบัดนี้ส่วนพวกลูกศิษย์ทั้งหลายได้มาเป็นพุทธบริษัทของผู้พทเจ้าเนี่ยในบัดนี้ส่วนอาจารย์ที่สาประโมคได้มาเป็นเราตถาคตนี่เองอ่าเรื่องนี้ความสำคัญนะจะอยู่ที่ อะไรเรื่องนี้จับประเด็นได้ไหมความสําคัญอยู่ที่เอาละอย่าด่วนสรุปต้องรู้กาลเทศะแล้วก็ต้องรู้ว่าอ๋ออย่าไปพึ่งไก่เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า<ม>พึ่งไก่ไม่ได้ก็ไก่ตัวแรกมันตรงเวลาก็พึ่งได้อะอกะ็ <c oughs> พิสูจน์แล้วไงว่ามันพึ่งไม่ได้ไก่ตัวหลังเนี่ย <c oughs> อ่ะอ่ะด้วยว่าต้องพึ่งตัวเองด้วยจริงๆก็ต้องไปอาศัยแต่ไก่ก็ไม่ได้ใช่หัดสิหัดตั้งนาฬิกาใจเราก็พูดกันอยู่บ่อยแล้วฝึกฝึกนอนแล้วก็กําหนดเวลาตื่นเวลาหลับเห็นไหมหัดตั้งไว้เลยตั้งจิตว่าเออนอนท่านี้ทุ่มตื่นท่านี้ทุ่มไอตื่นท่านี้ตีเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะฝึกไว้เลยฝึกไว้บ่อยเนี่ยไม่ต้องพึ่งใครไม่ต้องพึ่งเสียงะระฆังไม่ต้องพึ่งไก่ตัวไหนอ่า พึ่งตัวเราเองเนี่ยแล้วอย่างนี้เท่ากับว่าเราเป็นยังไงละเราเริ่มยังไงเราเริ่มสะสมจิตที่ชาตินี้ก็พึ่งพึ่ ง, พ, งพึ่งตัวเองอย่างนี้ชาติหน้าก็จะเป็นคนพึ่งตัวเองไปเรื่อยพึ่งตัวเองไปเรื่อยฮวันชาติไหนๆเนี่ยคราวนี้แหละเกิดมาแล้วจะพึ่งตัวเองมากกว่าที่จะไปพึ่งคนอื่นคำว่าพึ่งคนอื่นก็คือไม่เอาใจไปฝากไว้ที่คนอื่น หรือแม้แต่ไม่เอาใจไปฝากไว้ที่ไก่ <c oughs> เออคขามาพึ่งตัวเองเนี่ยเนี่ยให้เข้าใจตรงนี้หรือแม้แต่น่จะ ไ, ไปฝากไว้ที่เตาเสาต้นนั้นอ่บางคนนะแหมมายึดเสาเป็นสารณะอะไรเงี้ยไม่เอาใจไปไปฝากไว้ที่เสาต้นนั้นแหมมานั่งทําวัดโยธตามาจองเสาต้นนั้น <c oughs> เออไม่ต้องอย่างนี้แหละแล้วเราจะพึ่งตัวเอง ส่วนประเด็นสําคัญจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้ก็จะสอนเรื่องของสัพปริสธรรมสัพปริสธรรมหมายถึงการรู้จักสิ่งต่างๆการรู้จักสิ่งต่างๆในๆในในในนี้เนี่ยพระเจ้าท่านก็มีสัพปริสธรรมเจ็ดรู้อะไรบ้างเจ็ดอย่างรู้เหตุเนี่ยทำมันยุ่ตารู้เหตุหมายถึงนี่แหละ ที่ล็กีเกีเนี่ยบอกไปแล้วแหละรู้ต้นเหตุซิว่าเหตุเนี่ยที่มามาจากไหนมายังไงเพราะฉะนั้นอย่าเป็นคนบอกดูนสรุปนี่แหละนเนี่ยี่ข้อที่หนึ่งเลยในสัพพุริสธรรมต้องเป็นคนพยายามรู้ต้นสายปลายเหตุด้วยแต่พอพูดอย่างนี้เลยเลยบอกว่าเดี๋ยวพอมีคนยิงธนูใส่ในพระไตรปิฎกจำได้ไหมโดนยิงธนูใส่เสร็จโอ้ใครยิงเนี่ยมัวมาใครยิงอยู่นั่นแหละ ตายไปมัวหาว่าใครยิงไม่ใช่นะบอกว่าต้องรู้เหตุนี่ไม่ใช่อันนี้นะพอโดนยิงเข้าไปปักเป็นไงโอ้โหเหตุตอนนี้อะไรเหตุอะไรโดนธนูยิงเหตุเนี่ยรู้เหตุแล้วว่าโอ้โหตอนนี้โดนธนูยิงนะเพราะนั้นตอนนี้จะต้องไงข้อที่สองเนี่ยพอทามันยุตาแล้วจะต้อง อัธันวิตาจะต้องรู้ผลผลก็คือคือรอช้ากูตายแน่ <c oughs> เพราะฉะนั้นต้องรู้ผลต้องรีบอะไรเอาไปหามหมอหรือจะเรียกคนช่วยรีบมารักษาอะไรก็ต้องก็ต้องรีบเนี่ยไอ้รู้ต้นเหตุเนี่ยก็ต้องรู้แต่ไม่ใช่โง่ไม่รู้กาลเทศะว่าตอนนี้โดนยิงแล้วยังยัง่วว่าใครยิงมัวมาถามอยู่นั่นแหละ ไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นสัพพุริสธรรมเนี่ยผู้เจ้านี่บอกไว้ครบหมดเลยเห็นไหมพอตัวแรกบอกว่ารู้เหตุปับ๊บตัวที่สองต้องรู้ผลเพราะฉะนั้นคุณปฏิบัติธรรมเนี่ยที่เราพลาดส่วนใหญ่เนี่ยคือตอนแรกเนี่ยบางทีเราเรามาคิดแต่ผลก่อนเลยคิดตัวผลก่อนนะแล้วก็เลยเลิกไม่ไม่รู้จักคิดถึงตัวต้นเหตุว่ามันมีเหตุที่มาที่ไปยังไงอ่าอย่างนี้ก็ใช้ไม่ได้เห็นไหมนักปฏิบัติธรรม เสร็จแล้วมัวไปคิดแต่ต้นเหตุเสร็จแล้วไม่รู้จักคิดไอ้ผลปลายนี่มันจะแย่อยู่แล้วเนี่ยเห็นไหสัพพุิสธรรมนี่คือต้องรู้ต้นรู้รกลางรู้ปลายอะไรนี่ต้องรู้ครบถ้วนรู้เสร็จแล้วยังไงตัวที่สามก็รู้รู้ตนอัตตันยุตานี่คือรู้ตนรู้ว่ากำลังจะตายแล้วหรือว่ารู้ว่าตอนนี้กิเลส ตัวไหนกำลังกำลังเล่นงานเราแล้วรู้ตนนี่คือรู้ประมาณตนตัวเองเนี่ยรู้ประมาณตัวเองจะไปยกหินก้อนนี้เนี่โอ้โหหินก้อนเริ่มเลยแรงเราไม่พอเนี่ยก็ต้องรู้ประมาณแล้ว น, นี้ยกไม่ไหวฮ ะ, ะจะต้องเรียกใครมาช่วยก็ ก, ก็เรียกยกไม่ไหวอย่างเยี้ยรู้ประมาณตนหรือบางทีมีคนเขาทุกร้อนมาเขาต้องใช้เงิน เน่ยเสร็จแล้วเราเองเราไม่ค่อยมีเงินเหมือนกันจนเหมือนกันเขามีหนี้สินมาเป็นแสนเราเองก็จะช่วยเสร็จแล้วก็เลยไปกู้หนี้ยืมสินแทนเขาแล้วก็มาช่วยเขาอย่างนี้ไม่รู้จักประมาณตนตนเองก็จนอยู่แล้วไม่มีแล้วนะอย่างนี้ไปสร้างหนี้ให้กับตัวเองช่วยคนอื่นแต่ตัวเองเป็นหนี้ช่วยคนอื่นไม่มีหนี้นะแต่ตัวเองมาเป็นหนี้ช่วยอย่างนี้ปัญหาไม่จบ มันเพียงแต่เปลี่ยนคนเป็นหนี้เท่านั้นเองใช่ไหมล่ะเพราะนั้นไม่ไม่ได้แล้วไม่รู้จักประมาณตนด้วยจนบางคนเนี่ยช่วยไปแล้วปรากฏว่าไอ้ไอที่ชอบมาเซ็นค้ำประกันอะไรเงี้ยเสร็จแล้วตัวเองติดคุกนะติดคุกก็มีเห็นไหมอย่างนี้คือไม่ประมาณตัวเองว่าตัวเองเนี่ยควรจะค้ำประกันไหมไม่รู้จักประมาณตัวเองจนกระทั่งพอบางทีค้าประกันไปแล้ว ทะเลาะเบาแว่งบ้านแตกเลยเพราะบางทีพ่อแม่บัางหรือว่าสามีบ้างภรรยาบ้างไม่ยอมใช่ไหมเกิดปัญหาขึ้นมาเนี่ยไม่ประมาณตัวเองจนทะเลาะเบาแว่งกันอันเนี้ก็ไม่รู้จักประมาณตนเสร็จแล้วตัวที่สี่ก็คือมัดตันยุตาคือไม่รู้จักการประมาณนี่แหละแต่กี้เนี่ยเราอาตมาไปพูดรวมว่าประมาณตนใช่ไหมแต่จริงๆไอประมาณเนี่ยมันอยู่ข้อนี้ คือไม่รู้จักประมาณบางทีเนี่ยโอ้โหมือนี้นี่นะสามชามโอ้โหซัดเข้าไปชามมาเริ่มเทิมเลยนะสามชามจุกเลยเงี้ยเนี่ยไม่รู้จักประมาณกินซะจะอ้วกเลยอะอย่างเงี้ยไม่รู้จักประมาณไม่รู้จักประมาณกิโลเอยากได้เยอะๆอืม ส่วนตนเ่กี้นี่ประมาณตนก็อย่างเช่นอะไรอ่ะอตัวเราบางทีตัวเราฐานะอะไรเ อ, เอาเรื่องฐานะบางตัวเราฐานะอะไรคนอื่นฐานะอะไรเนี่ยเนี่ยเนี่ย่ไม่รู้จักตนเองหรือว่าตนเองเนี่ยเป็นใครแล้วเขาเป็นใครอ้อาวใช่ไหมบางทีเนี่ยพูดไม่รู้จักอ่อนน้อมกับผู้ใหญ่อย่างเงี้ยอ โอ้โหพูดอย่างกับเพื่อ น, นเนี่ยไม่ประมาณตัวเองเลยนะเนี่ยไม่รู้จักเลยว่าตัวเองเป็นใครแล้วเขาเป็นใครฮะรู้หรือเปล่าว่าเขาอะมากบา ร, รมีนะ <c oughs> เขาอะคนมากบา ร, รมีนะไอเราบา ร, รมีน้อยอย่าแยม้ม <c oughs> อย่าแย้มนะเดี๋ยวยุ่งนะเออก็ต้องรู้อย่างเงี้ยน่ ะ, นะประมาณตนนะส่วนข้อที่สี่นี่ประมาณนี้ก็ทุกเรื่องเลยประมาณเรื่องอะไรบ้างอะ ให้รู้จักประมาณส่วนข้อที่ห้านี่แหละการันยุตาก็คือไม่รู้จักเนี่ยแหละการะเทสะไม่รู้จักเว ล, เวลาไม่รู้จักประมาณแบบเวลาไหนเป็นอะไรควรอะไรอย่างนี้เวลาไม่ต้องอธิบายแล้วนะเพราะในเรื่องนี้พูดมาเยอะแล้วเรื่องของเวลาข้อที่หกก็คือปริสันยุตาก็คือไม่รู้จักประมาณอะไร บริษัทหรือว่าประมาณหมู่กลุ่มประมาณสังคมประมาณชุมชนที่เราอยู่หรือไม่ต้องใครอื่นนะแค่สองคนเนี่ยแหละแค่มีสองคนเนี่ยแหละไม่รู้จักประมาณว่าตอนเนี้ยหน้าเขาตึงแล้วนะยังพูดไมอ่อยู่ยเกีเยวเนี่ยหน้าเขาตึงแล้วนะรู้จักดูประมาณหน้าเขามั้งว่าหน้าเขาเป็นยังไงแล้วเนี่ยประมาณบริษัทก็คือปริมาณก ประมาณคนอื่นเขาว่าว่าเขาเป็นยังไงตอนเนี้ยเออใช่ไหมว่าคนอื่นเป็นยังไงบ้างบางทีเราชอบกินอะไรส้มตำเราชอบกินส้มตำส่วนเขาเขาชอบกินแกงจืดเออเสร็จแล้วเป็นไงเสร็จแล้วเป็นไงอะ่ะเออไปด้วยกันเนี่ยสั่งแต่ส้มตำอย่างเดียว เออขนแกงจืดเลยโอ้โหแย่เลยนั่นแหละหรือบางทีเอ้าไปงานศพอย่างเงี้ยเป็นไงโอ้โหใส่ชุดอะไรมาเนี่ยหรือว่ามามาวัดอย่างเงี้ยใช่ไหมเอาไม่ต้องงานศพก็ได้จะมาฟังเทศฟังธรรมเป็นไงใส่ชุดโอ้โหว่าแหว่งแหวงมาอย่างเงี้ยใส่ชุดแบบตัดยังไม่เสร็จมาว่าว่าแหว่งแหวงเออ ยเงี้ยไม่รู้จักประมาณสถานที่ไม่รู้จักประมาณกาลาเทะอะไรต่างๆเนี่ยนะไม่รู้จักประมาณบริษัทข้อที่เกตข้อสุดท้ายปุกคาร์อะไรปุกคารัยุต า, าไม่รู้จักประมาณบุคคลเนืน้อ ก, ก, กี้พูดไปแล้วบริษัทนะหมายถึงจํานวนมากแต่ถ้าบุคคลเนี่ยคนเดียวอย่างตะ ก, กี้ยกตัวอย่างคนเดียวยงั้นเนี่ยแค่ คนเดียวอย่างเงี้ยไม่รู้จักประมาณบุคคลเขามียศศักย์ยังไงเขามีตำแหน่งยังไงเขามีฐานะยังไงก็เป็นครูบาอาจารย์ของเราหรือเปล่าอย่างเงี้ยเนี่ยไม่รู้จักประมาณบุคคลเพราะในเรื่องนี้นะให้เราพยายามไปพิจารณาในเรื่องของสัพพิษ ธ, ธรรมเจข้อเนี่ย เวลาพูดเนี่ยนะบางทีคุณจำได้แล้วประมาณอันนั้นประมาณอันนี้แต่ในชีวิตจริ ง, รงเนี่ยคุณไปดูซิว่าจริงหรือเปล่าเราเราเรามีสติที่จะคอยประมาณเรื่องนั้นเรื่องนี้จริงหรือเปล่าถ้ายังไม่จริงเนี่ยแสดงว่าเราไม่ได้สั่งสมคุณค่าในเรื่องของการรู้จักประมาณในชีวิตเรา เ, เราไม่ได้สั่งสมอันนี้ไวแล้วในชาตินี้พรนพยายามไปเตือนตรงนี้เลย ถ้าใครเนี่ยประมาณชีวิตเราได้เก่งในศัพทิริ ธ, ธรรมเจ็ดข้อเนี่ยไปมีสติพยายามคอยเตือนอยู่บ่อยๆนะแล้วก็ปรับจิตปรับใจปรับวิธีการพูดคุยปรับวิธีการเข้าหาปรับชีวิตความเป็นอยู่ของเราให้เข้ากับสถานที่ให้เข้ากับบุคคลอะไรต่างๆเนี่ยถ้าคุณปรับได้แล้วยืนยันได้เลยว่าคุณจะอยู่กับใครก็ได้ในโลกนี้ าคาว่าอยู่กับใครก็ไดห้หมายถึงว่าเราปรับได้นี่อยู่กับใครเราก็ปรับได้ทั้งนั้นแหละปรับจิตปรับใจของเราได้หมดแหละยกเว้นว่าบางทีเราไม่อยู่กับเขาเองเพราะว่าเขาเป็นคนเลวหรือเขาเป็นคนชั่วเราก็เลยไม่คบหาเราก็เลยไม่อยากอยู่ด้วยแต่ถ้าให้อยู่จริงๆอยู่ได้ไหมอยู่ได้แต่เรารู้ว่ามันไม่มีประโยชน์มันไม่มีคุณค่า เราก็เลยไม่อยู่ด้วยเราก็เลยไม่คบคนชั่วเป็นมิตรก็เท่านั้นนะเพราะฉะนั้นสรุปตรงนี้นะถ้าเราเราเองเนี่ยไปตรวจในชีวิตจริงๆบอกว่าอย่าให้อยู่ในตำราอย่าให้อย่าให้เพียงฟังแล้วเข้าใจเอาไปใช้ในชีวิตจริงๆให้ได้ถ้าใครใช้ได้จริงเนี่ยคุณไม่ค่อยมีศัตรูหรอกแล้วก็ไม่มีเราก็ไม่ไปเป็นศัตรูใครด้วยเพราะคุณประมาได้เก่งเนี่ย มันไม่รู้จะไปเป็นศัตรูใครทาไมก็มไม่รู้แล้วพอคุณประมาณได้เก่งใช่ไหมไอคนที่จะมาโกรธเรามันก็ต้องโกรดน้อยลงถูกต้องไหมเพราะเราประมาณไปเรื่อยประมาณไปเรื่อยอ่ะเสร็จแล้วเราจะไปเกลียดใครแรงๆก็อา้าวเราก็ต้องฝึกปรับจิตเราด้วยใช่ไหมเราก็ต้องประมาณอาจะลดยังไงจะอะไรยังไงเพราะฉะนั้นในที่สุดไอความที่เราจะไปโกรธไปเกลียดเขาก็ลดลงด้วยก็เบาลงด้วยนะ เพราะฉะนั้นก็หวังว่าเนี่ยแหละก็ฝากไว้ตรงนี้แล้วกันให้เราเข้าใจอ่ะวันนี้คงพอเท่านี้นะ